เทวเวสวร์ยังไม่ทรงอนุญาตปุญญกะยักษ์นั้นก็ไม่อาจจะไปได้จึงได้กล่าวคาถามีประมาณเท่านี้เพื่อทูลเทวเวสวร์ให้ทรงอนุญาตด้วยประการชนิดส่วนเทวเวสวร์ไม่ทรงได้ยินถ้อยคําของปุญญกะยักษ์นั้นมีคําถามว่าเพราะเหตุไรเทวเวสวร์จึงไม่ทรงได้ยินถ้อยคําของปุญญกะยักษ์แก้ว่าเพราะว่า ท้าเวสวร์กำลังตัดสินคดีความวิวาทกันพระวิมานของเทพบุตรสององค์อุณกะยักษ์ทราบว่าเท้าเธอไม่ได้ยินถ้อยคำของตนจึงไปยืนใกล้เทพปบุตรผู้ชนะท้าเวสวร์ทรงตัดสินคดีแล้วบังคับเทพปบุตรผู้แพ้มิให้ลุกขึ้นตรัสกับเทพบุตรผู้ชนะว่าท่านจงไปจงอยู่ในวิมานของท่าน ในขณะที่เท้าเวสวรัณต์ตรัสว่าท่านจงไปดังนี้นั่นแหลอุณกะยักษ์บอกเทพบุตรสองสามองค์ให้เป็นพยานว่าท่านทั้งหลายจงทราบว่าพระเจ้าลุงของเราทรงเราไปแล้วสั่งให้นำมาสินทบมาเพนขึ้นมาสินทบนั้นเหาะไปโดยในที่กล่าวมาแล้วในหนหลัง พระศาสดาเมื่อทรงประกาศความนั้นจึงตรัสพระคาถาว่าอุนกะยักษ์นั้นทูลลาเท้ากูเวระเวสว ร, ร์ผู้เรืองยศผู้เป็นใหญ่ในหมูยักษ์แล้วไปสั่งบุรุษคนใช้ของตนผู้อยู่ในที่นั้นว่าเจ้าจงนำม้าอาชาไนที่เตรียมแล้วมาณที่นี้ม้าสินทพอาชาไนนั้นมีหูทั้งสองประดับด้วยทองคำ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 ปุนกะยักษ์นั้นเหาะไปทางอากาศนั่นเองคิดว่าวิธุระบัณฑิตมีบริวารมากเราไม่อาจจับเอาเธอได้แต่ว่าพระเจ้าทนัญชัยโกรับพยราชพอพระไทยในการทรงการพนันเราชนะเท้าเธอด้วยการพนันแล้วจักจับเอาวิธุระบัณฑิตเออก็แก้วในพระคังข้างที่ของเท้าเธอมีเป็นจำนวนมาก เขาเธอคงไม่ทรงเล่นการพนันด้วยแก้วที่เป็นของพนันมีค่าเล็กน้อยบุคคลผู้จักชนะพระราชาได้ควรจะนำเอาแก้วมณีมีค่ามากมาพระราชาจักไม่ทรงรับแก้วชนิดอื่นแก้วมณีเป็นเครื่องใช้สอยของพระเจ้าจากกักรพรรดิมีอยู่ในระหว่างแห่งเวปุละบรรพศใกล้กรุงราชครึก เราต้องเอาแก้วมณีซึ่งมีอนุภาพมากนั้นมาโลมรอบพระราชาจึงจะชนะพระราชาได้ปุณกะยักษ์ได้ทำอย่างนั้นแล้วพระาศาสดาเมื่อทรงประกาศความนั้นจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าภุณกะยักษ์นั้นได้เหาะไปสู่กรุงราชครือันน่ารื่นรมยิ่งนักเป็นนครของพระเจ้าอังคาราศ อันพวกข้าศึกเข้าถึงลำบากมีพักษาหาสและข้าวน้ํามากมายดังพบของเท้าวาสวะชื่อว่ามสกะสาระเป็นนครกึกก้องด้วยหมู่นกยุงและนกกรเรียนอื้ออึงด้วยฝูงนกต่างๆชนิดเป็นที่เสพอาศัยของฝูงที่ชาชาติมีนกต่างๆส่งเสียงร้องอยู่อื้ออึงมีเนินราบเรียบดารดาษไปด้วยบุพชาติ ดังพุนเขาหินมืวันปุรกะยักษ์นั้นขึ้นสู่วิบุระบรนพศอันเป็นภูเขาสิลาล้วนเป็นที่อาศัยอยู่ของหมู่กินนอนเที่ยวแสวงหาแก้วมณีดวงประเสริฐอยู่ได้เห็นดวงแก้มณีนั้นณท่ามกลางยอดภูเขาเบนดาคำเหล่านั้นข้อว่าของพระเจ้าอังคาราชอังคัสรัญโยความว่า ในการนั้นพระเจ้าอังคาราชได้ครองมคธรัฐด้วยเหตุนั้นจึงตรัสไว้อย่างนี้คําว่าอันฆ่าศึกเข้าถึงลำบากธุราสะทังได้แก่อันฆ่าศึกจะเข้าไปหาได้ยากข้อว่าดังพิภพของเาวาสวะชื่อว่ามส ก, กะสาระมะส ก, กะสารังวิยะวาสวัตสะความว่า ดูดพิพบแห่งท้าวาสวะอันได้นามว่ามสกะสาระเพราะสร้างไว้ใกล้ภูเขาสิเนรุกล่าวคือมสกะสาระคาว่าอื้ออึงด้วยฝูงนกต่างๆชนิดที่ชาพิสังขุดถังความว่าเป็นที่อยู่กึกก้องลือลั่นไปด้วยฝูงนกอื่นๆคำว่ามีนกต่างๆทรงส่งเสียงร้องอยู่อื้ออึง นานาสกุณาพิรุทังความว่าฟุงนกนานาชนิดร้องเซงแซ่อื้ออึงอยู่ดุดขับร้องด้วยเสียงอันไพเราะคำว่ามีเนินราบเรียบสูวังขนังความว่ามีเนินอันสวยงามมีภาค พ, พื้นราบเรียบเป็นที่น่าฟูใจคำว่าดุดขุนเขาหิมมวันหิมะวังวะปับพระตัง ได้แก่เหมือนภูเขาหิมมาพานคำว่าขึ้นสู่วิบุรบรนพศวิบุลมาพิรุหะความว่าภิกษุทั้งหลายปุณกกะยักนั้นขึ้นสู่วิบุรบรนพศเห็นปานนั้นคำว่าณ่นะามกลางยอดภูเขาปปัฏฐะปู ต, ตมัชเชได้แก่ได้เห็นแก้วมณีนั้นในระหว่างยอดแห่งภูเขา ปุณกกะยักษ์ครั้นเห็นดวงแก้วมณีมีรัศมีแวววาวเป็นแก้วมณีอันพิเศษสุดสามารถจะนำทรัพย์มาให้ได้ดังใจปรารถนารุ่งโรดชัชวานด้วยหมู่แก้วมีบริวารเป็นอันมากสว่างสวัยดังสายฟ้าแลบในอากาศปุณกกะยักษ์ได้ถือเอาแก้วมณีชื่อมโนหระจินดาอันมีค่ามากมีอนุภาพมากนั้น เป็นผู้มีวั น, นะไม่สามขึ้นหลังมาสินทบอาชาในแล้วเผาอไปในอากาศกลางหาวบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสามารถจะนำทรัพย์มาให้ได้ดั่งใจปรารถนาทนาหรังได้แก่สามารถนำทรัพย์มาได้ตามใจหวังคำว่ารุ่งโรดชัชวานทัทธละมานังได้แก่โชดช่วง คำว่าด้วยหมูแก้วมีบริวารเป็นอันมากยะสะสาได้แก่ด้วยหมูแก้วมณีมีบริวารมากคำว่าสว่างสวยัยโอภาสตีความว่าแก้วมณีนั้นสว่างสวยัยเหมือนสายฟ้าแลบในอากาศฉะนั้นคำว่าได้ถือเอานั้นตมัคคะฮีได้แก่ได้ถือเอาแก้วมณีนั้น คำว่าชื่อมโนโหระจินดามโนหรันนามะความว่าได้นามอย่างนี้ว่าแก้มณีนั้นสามารถนำมาซึ่งทรัพย์ดังใจนึกยักษ์ตนหนึ่งชื่อว่ากุมพิระมีพวกยักษ์กุมพันแสนหนึ่งเป็นบริวารรักษาแก้มณีนั้นอยู่แต่กุมพิระยักษ์นั้นเมื่อปุณกะยักษ์ทมท่าโกรธถลึงตาดูเท่านั้น ก็สะดุ้งกลัวตัวสัน่นหนีไปแอบเขาจักรวาลและดูอยู่ปุณกะยักษ์นั้นขับไล่กุมพิริยัก์ให้หนีไปแล้วจึงถือเอาแก้วมณีเหาะไปโดยทางอากาศถึงนครนั้นพระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้นจึงตรัสพระคาถาว่าอุณกะยักษ์นั้นไดเหาะไปยังอินทปัตถนครลงจากหลังมาแล้ว เข้าไปสู่ที่ประชุมของชาวกุรุรัตไม่กลัวเกรงพระราชาหนึ่งรหนึ่งพระองค์ที่ประชุมพร้อมเพียงกันอยู่ณที่นั้นกล่าวทา้าทายด้วยการพนันว่าบรรดาพระราชาในราชสมาคมนี้พระองค์ไหนหนอจะทรงชิงเอาแก้วอันประเสริฐของข้าพระองค์ได้หรือว่าข้าพระองค์จะพึงชนะพระราชาพระองค์ไหนด้วยรั์อันประเสริฐ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 ปุณกกะยักษ์นั้นลงจากหลังม้าแล้วพักม้าที่มีรูปอันใครๆไม่เห็นแล้วเข้าไปสู่สภาของชาวกุรุรัตด้วยเพศแห่งมานบน้อยคำว่าหนึ่งรหนึ่งพระองค์เอกสตังความว่าเป็นผู้ไม่เกรงกลัวพระราชาหนึ่งรหนึ่งพระองค์ได้กล่าวทา้าทายด้วยการพนันโดยในมีอาธิว่า ในราชสมาคมนี้พระองค์ไหนหนอคําว่าในราชสมาคมนี้พระองค์ไหนหนอโกนีทะได้แก่พระราชาพระองค์ไหนหนอในราชสมาคมนี้คําว่าบันดาพระราชารันยังความว่าในระหว่างพระราชาทั้งหลายคําว่าจะทรงชิงเอาแก้วอันประเสริฐ ระมาพิเชติความว่าพระราชาพระองค์ไหนที่จะชิงเอาแก้วอันประเสริฐของข้าพเจ้าได้คืออาจกล่าวได้ว่าเราชนะคําว่าข้าพระองค์จะพึงชนะพระราชาพระองค์ไหนกมาพิเชยามะความว่าหรือว่าพวกเราจะพึงชนะใครคําว่าด้วยทรัพย์อันประเส ร, ริฐวรัตเนนะ ได้แก่ด้วยซับอันสูงสุดคำว่าอันประเสรฐยิ่งกะพระราชาพระองค์ไหนกะมนุษย์ตรังความว่าก็พวกเราเมื่อจะชนะจะชิงแก้วอันประเสรฐกะพระราชาพระองค์ไหนข้อว่าหรือพระราชาพระองค์ไหนจะทรงชนะข้าพระองค์โกวาปิโนเชติความว่าก็หรือว่า พระราชาพระองค์ไหนจะชนะพวกเราด้วยทรัพย์อันประเสริฐปุณกะยักษ์นั้นพูดเคาะพระเจ้าโกรับพยราชนั่นแหละด้วยบทสี่บทด้วยประการชนิลำดับนั้นพระเจ้าโกรับพยราชทรงพระดําริว่าก่อนแต่นี้เรายังไม่เคยเห็นใครที่พูดกล้าหาญเช่นนี้นี่จะเป็นใครหนาแล เมื่อจะรับสั่งถามจึงตรัสพระคาถาว่าชาติภูมิของท่านอยู่ในแว่นแคว้นไหนถ้อยคําของท่านนี้ไม่ใช่ถ้อยคาของชาวโกรับพยะเลยท่านมิได้กลัวเกรงเราทั้งปวงด้วยรัศมีแห่งผิวพันธ์ท่านจงบอกชื่อและพวกพ้องของท่านแก่เราบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าของชาวโกรับพยะเลย โกรับพยะเสวะความว่าถ้อยคำของท่านไม่ใช่ถ้อยคำของคนผู้อยู่ในแว่นแคว้นกุรุรัตเลยวายปุลนกะยักษ์ได้ฟังดังนั้นจึงคิดว่าพระราชานี้ย่อมถามชื่อของเราธาตชื่อปุลนกะมีอยู่คนหนึ่งถ้าเราจะทูลบอกว่าชื่อปุลนกะซสามเท้าเธอจกดูหมินได้ว่า เพราะเหตุไรท่านจึงพูดกับข้าด้วยความขนองอย่างนี้อย่าเลยเราจะทูลบอกชื่อของเราในชาติอดีตที่แล้วมาแก่เท้าเธอแล้วกล่าวคาถาว่าข้าแต่พระราชาข้าพระองค์เป็นมานพชื่ออนุณนะกัจจายนะโคดญาติและพวกพ้องของข้าพระองค์ผู้อยู่ในนครกาละจำปากะแคว้นอังคะ ย่อมเรียกข้าพระองค์อย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระองค์มาถึงเมืองนี้ด้วยต้องการจะเล่นการธนันบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าชื่ออนุนะอนุนะนาโม ο. ความว่าได้กล่าวปกปิดเฉพาะชื่อปุณ น, นะเท่านั้นโดยชื่ออนุนะนั้นคำว่าย่อมเรียกข้าพระองค์อย่างนี้อิติ มาหุยันติความว่าพวกญาติย่อมกล่าวย่อมเรียกข้าพเจ้าดังนี้คําว่าแคว้นอังคะอังเคสุความว่าอยู่ในนครกาลจจำปากะในอังครัตข้อ ว, ว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐด้วยต้องการอัตเทนะเทวสมิความว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ ข้าพระองค์มาถึงในที่นี้ด้วยประสงค์จะเล่นการพนันลำดับนั้นพระราชาเมื่อจะตรัสถามปุนกะยักษ์นั้นว่าแนมา n o ท่านผู้ที่พระราชาชกนัด้วยการพนันจกถวายอะไรแก่พระราชาท่านมีอะไรหรือจึงตรัสพระคาถาว่าพระราชาผู้ทรงชํานาญการเล่นการพนันเมื่อชนะท่าน จะพึงนำเอาแก้วเหล่าใดไปแก้วเหล่านั้นของมนุษ์มีอยู่หรือแก้วของพระราชามีอยู่เป็นจํานวนมากท่านเป็นคนเข็นใจจะมาพนันกับพระราชาเหล่านั้นได้อย่างไรคำมันเป็นคาถานั้นมีอธิบายดังนี้แก้วเหล่านั้นของมนุผู้เจริญมีอยู่หรือคาว่าเมื่อชนะท่าน จะพึงนำเอาแก้วเหล่าใดไปเยตังชินันโตวความว่านักพนันเมื่อชนะเขาแล้วกล่าวว่าท่านจงนำทรัพมาดังนี้แล้วพึงนำรัตนเหล่าใดไปแต่แก้วเป็นอันมากมีอยู่ในพระนิเวศของพระราชาทั้งหลายท่านเป็นคนจนจะท้าพนันกับพระราชาผู้มีทรัพมากอย่างนี้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 และมาอาชาไนตัวเป็นที่เกรงขามของศัตรูนี้ไปก็ในคำพีพระบาลีท่านลิขิดไว้ว่าแก้วมณีของข้าพระองค์นี้มีสีแดงก็แก้วมณีนั้นเป็นแก้วไพยทูลเพราะฉะนั้นคำนี้แหละจึงสมกันบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามาอาชาไนอาชันยังความว่านักพนันชนะแล้ว พึงนำสิ่งทั้งสองของเรานี้คือม้าอาชาไนและแก้มณีนี้ไปเพราะฉะนั้นอุญญกะยักษ์เมื่อจะแสดงมา้าจึงได้กล่าวอย่างนั้นพระราชาทรงสดับดังนั้นแล้วจึงตรัสพระคาถาว่าแน่มานบแก้มณีดวงเดียวจะทำอะไรได้อนหนึ่งม้าอาชาไนตัวเดียวจะทำอะไรได้